ผู้ไม่อิ่มในกามปุกผ่านิเฮวะปะจินันตังปยาส ต, ตะมณัสงณรังอติตสังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวะสังอธิบายความมตรุราคืคอความตายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายผู้ยังคล่องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าในอารมณ์อันยังไม่ได้ไม่ถึง และผู้หลงติดอยู่ในอารมณ์อันได้แล้วถึงแล้วธรรมดามนุษย์ทั่วไปก็มักเป็นเช่นนั้นคือสิ่งใดยังไม่ได้เป็นที่ปรารถนาก็มีความต้องการในสิ่งนั้นเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ไม่สามารถปลิกตนออกไปได้หมกอยู่ในอารมณ์อันน่ารักน่าพอใจเป็นผู้ติดอยู่ในกามทั้งวัตถุ ก, กามและกลิเลสกามกามเป็นสิ่งละในอยากในโลกดังพระพุทธภาษิตว่ากามาฮิโลเกนะหิสุปะหายะ การทั้งหลายเป็นของละได้ยากในโลกผู้ละกลามได้จึงเป็นที่ยกย่องเคารพของคนทั้งหลายเพราะกระทาได้ในกิจที่คนเป็นอันมากทาไม่ได้อันหนึ่งบุคคลเช่นนั้นย่อมมีทุกน้อยมีโรคน้อยมีความกังวล น, น้อยพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษีนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารบนางปฏิปูชิกามีเรื่องยอดดังนี้เรื่องนางปฏิปูชิกาเรื่องเกิดขึ้น ในดาวดึงเทวโลกก่อนเทพบุตรคนหนึ่งชื่อมาลาภารีในพบดาวดึงเข้าไปสู่สวนสวรรค์พร้อมด้วยเทพธิดาห น, นึ่งพันนางในจํานวนนั้นเทพธิดาห้าร้ยขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้แล้วยนลงมาให้เทพธิดาอีกห้าร้อยซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดอกไม้เหล่านั้นประดับเทพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั่นเองสรีระของเธอดับลงประหนึ่งเปลวไฟ เธอไปเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองสาวัตถีและระลึกชาติได้ปรารถนากลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่กับสามีอีกเมื่อจเจริญวัยจึงมันทําบุญให้ทานและอธิฐานว่าอนุภาพแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าไปบังเกิดในสำนักของสามีในดาวดึงเทวโลกภิกษุทั้ทงหลายจึงพากันเรียกเธอว่าปฏิบูชิกาผู้บูชาสามีใครๆรู้ว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธามันทําบุญให้ทาน บางทีก็นําอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้เพื่อให้เธอช่วยจัดแจงถวายส่งด้วยเธอก็รับทําให้ด้วยความเต็มใจต่อมาเธอมีสามีมีลูกถึงสี่คนและท้ายด้วยโรคปัจจุบันอย่างหนึ่งไปบังเกิดในดาวหนึ่งทีพบตามความปรารถนาเทพธิดาเพื่อนของเธอยังไม่กลับจากสวนสวรรค์ยังประดับดอกไม้ให้เทพปรบุตรอยู่มาลาภารีเทพประบุตรเนหน็นนางแล้วถามว่าหายไปไหนเสียตั้งแต่เช้านางตอบว่า จุติแล้วลงไปเกิดในมนุษยโลกจริงหรือเทพบระบุถามจริงๆนางยืนยันไปเกิดที่ไหนในเมืองสาวัตถีเธออยู่ที่นั่นนานหรือฉันอยู่ในท้องมาดาสิบเดือนแต่งงานเมื่ออายุสิบหกแล้วได้บุตรสี่คนฉันทำบุญมีทานเป็นต้นแล้วปรารถนามาเกิดในสำนักของท่านอายุของมนุษย์โดยประมาณมีเท่าใดเทพบุตรถามประมาณหนึ่งร้อยปีเท่านั้นเองหรือ เท่านั้นเธอยืนยันอายุมนุษย์น้อยเหลือเกินพวกมนุษย์ประมาทหรือไม่ประมาทมันทําบุญให้ทานหรือไม่เลยพวกมนุษย์ส่วนมากประมาทอยู่เป็นนิดทําทนเหมือนจะมีอายุสัตว์อสงไขยประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายมาลาภารีเทพบุตรได้ฟังดังนั้นมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากว่าพวกมนุษย์มีอายุเพียงร้อยปีเท่านั้นแต่ยังประมาทชูวเมื่อไรหนอจกพ้นจากถุก โดยธรรมดาทั่วไปร้อยปีในมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุหนึ่งพันปีทิพหนึ่งพันปีทิพนั้นเมื่อเทียบอายุในมนุษย์เท่ากับสาสิบหกล้านปีคิดเสียว่าอายุของเทพชั้นดาวดึงคนหนึ่งเท่ากับสาสิบหกล้านปีในเมืองมนุษย์มนุษย์อายุน้อยนักไม่ควรประมาทเลยในวันรุ่งขึ้นพวกพิศูเข้าไปที่บ้านของนางปฏิบูชิกาอย่างเคย เห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ําฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงถามชาวบ้านทราบความว่านางได้ตายเสียแล้วตั้งแต่ตอนเย็นวันวานภิกษุผู้เป็นปุถุชนระลึกถึงอุปการะของนางแล้วไม่อาจกลั้นน้ําตาไว้ได้ส่วนพระอรหันต์ได้ทำมะสังเวทแล้วทั้งหมดไปทูลถามพระศาสดาว่านางปฏิปูชิกาไปเกิดที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่า นางไปเกิดในชนนักแห่งสามีของนางที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักพระสัสดาจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทันอิ่มด้วยวัตถุ ก, กรรมและกิเลสกรรมมจุราชก็ทำเข่าวไว้ในอำนาจเสียพาเอาสัตว์ผู้คร่ำ ค, ครวนร่ำไรอยู่ไปสู่ภพของตนดังนี้แล้วตรัสสกาถาว่า ปุพพาิเหวะปะจินันตังเป็นอาธิมีนัยยะดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้น